พระไตรปิฎกเล่มที่ 12. บสองพยะเพระวสูตรว่าด้วยความขลาดกลัวเหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า16หประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเสถีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสัโสนิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเจาะจงท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะนำให้ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างท่านพระโคดมหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเช่นนั้นชานุสสโสนิปรามกราบทูลว่า ถ้าแต่ท่านพระโคดมเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดวันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเช่นนั้นและตรัสว่าพรามเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์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 พระอริยะเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในร บ, บรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้มีความปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเรื่องนี้ ด้วยเหตุสะดุ้งกลัวในการอยู่ป่าประการต่างๆดังนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์มีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีความกำหนัดกล้าในกามคุณทั้งหลายมีจิตวิบัติมีความดำริชั่วร้ายถูกทีนั้นมิทะ คือความอดหู่และเสื่อมซึมกลุ่มรุมแล้วเป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบเป็นผู้เครือแคลงสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักคลาดปรารถนาลาบสการะและความสรนเสริญเป็นผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียรขาสติสัมปชัญญะคือความระลึกได้และความรู้ตัว มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตดิ้นรนกวัดแกวง่งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาสมณะหรือพรามเหล่าใดที่มีคุณสมบัติดังนี้เมื่อเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตน ส่วนเราเป็นผู้มีวจีกรรมบริสุทธิ์มีมโนกรรมบริสุทธิ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีวจีกรรมบริสุทธิ์และมโนกรรมบริสุทธิ์ในตนเราเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์นั้นในตนเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่มีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นนั้นในตนเราเป็นผู้มีจิตเมตตา เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตเมตตานั้นในตนเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ประศจากทีณะมิทะนั้นในตนเราเป็นผู้จิตสงบแล้วเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตสงบนั้นในตนเรามิใช่เป็นผู้เคลือบแกลงสงสัยเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยนั้นในตนเรามิใช่เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราเห็นชัด ซึ่งความเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นนั้นในตนเรามิใช่เป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักคลาดเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปราศจากความสะดุ้งกลัวนั้นในตนเรามิใช่เป็นผู้ปรารถนาลาบสการักและความสรรเสริญเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นในตนเรามิใช่เป็นผู้เกียจคร้านมิใช่ปราศจากความเพียร เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปรารบความเพีย ر นั้นในตนเราเป็นผู้มีสติมั่นคงเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีสติมั่นคงนั้นในตนเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นในตนเราไม่ใช่เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญานั้นในตน ด้วยแต่ละเหตุเหล่านี้จึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่านี้คือเหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่าทั้ง16ประการพรามเรานั้นได้มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรอยู่ในเสนาสนะเช่นนี้คืออารามเจดีวณนะเจดีรุกขเจดีอันน่าสะพึงกลัวน่าขนคองสยองกล้าว ในราตรีที่กำหนดรู้กันว่าวัน14ค่ำ15าค่ำและ8ค่ำแห่งปักด้วยหวังว่าเราจะได้เห็นความน่ากลัวและความคลาดต่อมาเราได้อยู่ในเสนาสนะและราตรีดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะนั้นสัตว์ป่ามากนกยูงทำไม้ให้ตกลงมาหรือลมพัดเศษใบไม้ให้ตกลงมาเรานั้นได้มีความดาริว่า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 สัตว์ผู้ไม่รุ่มหลงพรามมีสมณะพรามพวกหนึ่งเข้าใจกลางคืนแท้แท้ว่าเป็นกลางวันเข้าใจกลางวันแท้แท้ว่าเป็นกลางคืนเรากล่าวการมีความเข้าใจเช่นนี้เพราะสมณะพรามเหล่านั้นอยู่ด้วยความหลงส่วนเราเข้าใจกลางคืนแท้แท้ว่าเป็นกลางคืนเข้าใจกลางวันแท้แท้ว่าเป็นกลางวัน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 สติก็มั่นคงไม่ฟั่นเปื่อนกายสงบระงับไม่กระสับกระส่ายจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์แน่วแน่เรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายใน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 เพราะละสุขละทุกได้เพราะโสมนัสและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจจตุตต ะ, ะชาญที่ไม่มีทุกไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้เราจึงน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณ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 อ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโร ธ, โร ธ, โร ธ, ธาคามินีปฏิปทานี้อาสวะีิอาสวะสมุทยัยนีิอาสวะนิโรดนิอาสวะนิโร ธ, าโร ธ, ธาคามินีปฏิปทา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 ในปัจฉิมมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นพรามบางคราวท่านอาจมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระโคดมยังไม่เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะ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 ชาณุสัโสนิพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมได้อนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังนี้แล้วเหมือนอย่างพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ฉะนั้นข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธของท่านพระโคโดมชัดเจนภายเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่กว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง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 พยเพระวสูตรประวัตที่สี่จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง